นามัสสะภะคะวะตุอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะตตาคัลลิ ṅ การะธิตุนาวิชฌะพรหมนาคามาวสิจุจักุณามาพรหมานุปิฆาจาริยาญาค้าปะนาสะตังลาภิต เอกาสมิงขัมมานากุเลธาเปตวาปุนาธานังปาริเยสานันธายากาตุติสาชาโวฟังดุราซาปุริซาตังหลายมุนมู่อันตั้งนาอยู่ดาฟังด้วยความย่ำ ม, ม่อนน้อมใจตื่นพร้อมจำบานจุงจังฟังนีิตานจนที่ฟังเมื่อเต้าตัต้งศีรษะธา เจ้าดองนาปากวางตันอยู่สังเป็นที่ในวังกาป่าป้าตาเกรีนั้นสุดสังภาหมดภาวนาตาตาในกาละมือนั้นยังมีธรรมนาบาบไปมันถอยไรดีดีอยู่ในเมืองปารานาสียาวโยุดเป็นเจอโกูขะคุณพาม จังไขยน้ำกา็จ่าตามนั่งผาเจ้าสังกหฮะก่อมันจื้อกูละกาพรำลอกจือจากกอ่าต้องกดีแม่มันจื้อจันตาพรำอานี้เท่าแก่ลุงมันจื้อกูวินตาแต่วังสาส่วนส่วนพรมนั้นนาะมันเกิดปีกรรมเลิดกอดยี เดินแจดีจ้าลำแรมสีคำวันพัดวันไตจาาชัดบอกเพื่อแสดออกหูรามันเกิดมายามคำเด็อผ้าคำใดสาวแอดอาตินสาแด ส, ส่เม็ดลักกานาเกตตอกลุ้นหมอมากุณตามโยกจือจูจ่อกจูกแวนดีหวานหันแล เมื่อนั้นเมืองปารานาซีไอญ่กวา้างควันอยู่สร้างกรรมของอานาจิมไกไฟหลดไม่ลนลามผิวว่าบา้าบ่าบูจาเดินผู้แผนกวันไทยปอยมันเฝ้าฟังผู้เตียวกังกึงใจส่วนว่าามจาเดินไกมารวดตาเสียวสวดเรือนมันเต่าต้องหันเป็นเผ่าออกไม่เอาข้างใจ มันจิบหายวิญาทยังผาขาดกับสันคามเติวหันต้องอยากหาลิงปาา่ากระดึนมาอยู่อาณากาลิงกระราาในอาวาตุนาวิทาคามตีนั่นหันแล ข้าจาริยายาสวนว่าพามผู้นั้นสุด น, นาเข้มโคดเบารู้ลาอายปลา่องไล่ห้อยบ่าจ้าเดินกว่าหา้าคอไปเบารอตุ้มศอกซึงบานออกเล่นในเมืองได้คำเหลืองมาหมากรวยก้าหาปลาหน้าหาเป็นของมันเลนา เอกาสมิงพรรมานากูเลทาเปตวามันก็เอาคำไปฝากไว้ในคาคุณเนื้อไรคือพามอันเป็นปอแห่งนางอามินตาตางามนุ่มน้อยพามได้ฝากคำร้อยแล้วหลดุดหนีไปวันนั่นแล คุณนะ้ามือไปลุนอันใสมันไขใดนักหนะ้าไปเสวงหาขอเหล่าเปิดได้แถมของเก่าเป็นดีแลยนะตามิงชีรายันทีในมือจูจาก้าพามไปมึนนานจ้าลำนานนั่งทำหลายเดือนนีไปเหมือนไตกว่าเขากองว่ามันมอน จิงทอกทอนคำจ่ายเท่าสายลายขึ้นมาจิ้มทำหาของเก่าค่ะคุณนั่นเล่าเบามีสังความจังกังทำจีต้องจา้าจีเลยลันําแล้วมันทำเล่าสั้นกำเก่าอาอัดสิ่งจะาจันจาจรร้องหาหาทห่าื เหมือนดังจังตึ่นจังหยาดฝันดังจ้าปาดเนื้อถือหนังเ่าจังกังสาเฮาจืดยันดังพืชสาไายว่าใจใจจาเล่ไอ้กันเบาใสคำกูถ้าฟังดูวันผูกกูจังจังเอาลูกมึงไปจาเล่ วนว่าข้าคุณพามผู้ไรหาเบาได้คำเตียนยินเกืเก้อแกนขอขอดขึ้นเบารอดสักอันจึงต้องหันลูกเตานางนุ่มเนาอามินตาตามีกรำจ้าจำกว่าคือเป็นก่าคำถามแม่นา ดูตั้งลาพีตวัวสนว่าจูจ่ากาพามได้แลี้ยนารังแขีวอามินตาตาขึ้นมาหาบ้านผู้พามเท่าอยู่จำเจอยันมาเมยตาขอปากกัน ร, รอชินจาว่าดูราอามินตาตาเฮยเจ้าผู้เจ้าจุงอยู่เรือนรา อย่าใจกาสุกเท่าแม่นว่าเจ้าหุมได้ของตึงใจหลายอย่างอันเป็นเครื่องผ้าดับสนมีก่อนท่อนแลปิ่นเก่าปีบผู้เท่าหากจังหาแหวนคำคาสุบสวดหน้าต่างจอดที่ไวตั้รุงใสสวดก้อยมุ่งมาต้อยสังวานเครื่องผู้คานที่สษทธาใบเตีดหมาคำ สินเรดดำซ้อนเสียวปีหักชังแหวซื่อหื้อจู้อันอันถามรวมกวันว่าห ว, าวอนตานค่อยอ่อนกำแพงสาส่วนวานางอามินตาตานั้นสุดในใจหลดยินดีวัดนกองมีอุปาฉากความเท่าหาคุมจำเลนา อันเยตารุโนพรามานาเมเอนั้นขามตั้งไหลฟุงอื่นเขาตาลนื่นเจนจาเพราะว่าวหันนามินตาตามาอยู่ปำเรือนปู่จีพามมีใจงามตร้งมือเบาจานเบอผู้ตนเขาซ่อนกันตรงปากว่าดูลักเจ้า เ, ร, เรานางผู้เราจะจวนชื่ออ่อนอามินตาตา มารังสรุคงคำเจ้าแก่พามเท่าจู้เวลาเท่ามาจาขึ้นขาบดาคำลาบในตอนหือกังวันเขียบก่อนใจเผาร้อนเหมือนไฟ จากกําได้ก็ว่าจังขาตาได้พาก็ว่าจักปันตาได้คอนก็ยันต่อหน้าไวจัดขากขาลาชิ น, นีสุเบรีใจฟาดก่อยผ้ามาดในทูดีจาวานหั่นแหล เี่มังอาหมินตาตาปันนังเมื่อนั้นเม่าพามตั้งหลายฝุงนหนุ่มนำตาจุ่มเต็มตาเขาแสีงจ้าในตาตานกำบ้าเว่ยเวย่ยดูราเจ้าเราเฮ ย, ยแต่ก่อนผู้เราเบาหอนบุมซีแต่ไก่กาลาทิ่นี่มาอยู่กับโดยาพามเท่ากูลุ่มลา ผู้เรามาคงึงกดกำไรโสดหนึ่งนั้นตาได้คอนก้อยยันผ้าผาดว่าเราผ้ามาดดูแกวียนยินคึงแกวียนซาใสเราจงคับอีกไีไรหฮือนี้ใสเตื้อเปิ่นเฮยหน้าติงอูตาก า, าริยาเมื่อนั้นนางอามินตาตาไปตาเม่พรมไดาตื้อ ผ่องก็มากำ ม, มือมีกองผ่องก็มาหูร้องคุณนกู้ผ่องก็มาสันหูแลงีเขียวผ่องก็มายันปากดิวแลกกำ ม, มือ ผ่องก็มาอาแอาหอมหื้อเต็มตาของก็มารุมด่าสาวๆาวฝุ่ยิงสาวส า, วสาวร่องเมตานซ้องตาจังว่ามึงยังเป็นสาวก่อยเมาพูเทาเขาด่าเย้ายินอายเจนเละตามาถังปากาสินตูสะท่า สาธาพาตีลูกาจักเีดไข่องเหตุปาลีปังเมื่อนางพรามมานี้หนุ่ม น, น้อยนาจึงจ้วยชื่ออามินตาตาเกิดวองซาเจอจัดก็ไม่อาจสวนไม้อันเมธามหลายรุมด่ากรรมไรว่าพุณนไอือปันนาสาจังไหลเจีงเจีภาจิงเตเทศนา เป็นกาถาองอาจเป็นยุริยสารพันว่าอาหัวสีกาลิเกสุจุจักกุณะมาพรหมโนตัสสิตาหราภาริยานเมนะมินตตาปนาดังนี้ ชิงคาเวดูราพิกคูตั้งหลายตันตรงสินไ ส, สาเบ้าเซาจังก่าวถึง้ามเท่าจื่อจู่จอกแข็นใจต้องอำนาจอยู่ในเมืองกาลิงการาตอาณามีภรรยางามอาเคือจ่าเจมเนอเป็นสาวชุมพึงเป้่าหนุ่มเนาได้ผู้เท่าแก่หลังกูเบาสมตูนางนาดไปย้ายญาติข่าวเมน่น ชาพี่แ้นหนูหมวกเดินตุ้มสอกอาคอได้คำปอฝากไว้เป็นกานางนาไทยอามินตาตาเมื่อนั้นเลตานังตัดชากาตาวูจุ้งยิงตั้งไรเต็มตาร่วงเงินดารุมจังของก็มาแหวนวังจูกรรมในตาหนำสาไส่ กาเจ็บใจเขาว่าที่นาดายินจังอุกาลูกดังมีกองสิงห์ร่วงหนึ่งนั้นอามินตาตาหนูนาติมาตาโดวยว่าเม่มึงจะไรราดเป็นเจอจาซารู้ดูขึ้นดูไปพอตั้งนาโตตาจัง เขาใส่หลังมึงมาอยู่กับโดยพเม่าผู้หลังไรมึงยังเป็นสาวได้จ้าจนเอออโ อ, อนออนออนออนดีอาฮิตังวาตาตียาตีผุงยาตีมึงกล้าทำตูดเบาหื้เป็นทายโยสักอันเขาจนกันชาใสล่ลำคุ้มไม่จริงจ้า เขาจำมึงมาอยู่ฮือเป็นกูกับพามชุบหน้า ง, งามเบาเซารได้ผูดเทาเป็นผู้ตุกตาตังวาา่าตาทียาตีฝุงลุงเอามึงกา ต, าตั้มตูดเบาฮือหายคาหยุดสีรอยเบาดูปีเดินฮือจอบเขาดีหลอด จ, จินจาเขาฮือมึงมาอิ่งเออนอนแสบ พี่สังตูยินอายตัง ม, มึงเม่อยในผู้เท่าแก่งงามป้าป้ากังว่าตาทียาทีปองสามึงใจบาป ก, กระทำไรอยากหรือใจยังกำได้เบ่าจวบเขาลังหลอ่อจินจา เขามายาหือมึงจากหือมึงผ่าเสื่อื่นชุบนางเหมือนเสื้อฟาเทาสวยจ้ากุมจมป้าป้ากังว่าตาทีอาทีปองสามึงใจบาปจำไรอ ย, ยากหรือใจยังกำได้เมาจวบเขาลังหลอกเช่นจ้า เขามายาฮือมึงจากฮือมึงผาเสรินชมนางเหมือนเตฟ้าเทาสอยจ้ากุมจอมอามอณานฟังว่าตาตียาตีปองสาฝุงปีนอองกระดัมขิงของคินใจกรรมไร้ใดเบาจบเขาดีหล่อพอทองเขาเส่งฟังมึงมาอยู่ได้เป็นกูกระพ อุ้เสได้ชมนางามสาเล้่ยมามจูเ ก, ก้มหรือเกยอามอานาภาวะสังวาสีดังหรือนางได้มาสมสู่กับโดยพามเท่ากูหลังลหลนางชุ่มชายนุ่มหนาพามกอดกว่าคุ้มจ้ำผูดำหาบาได้กำบาใบามาตึงเขาเ ว, ว้นตึงมาอยู่มาเป็น ก, กูกัภาพม มึงยังเป็นสาวร้ามสำเบาได้ผู้เท่าเหงาเรียง้อนบาปโน่ตู้ยินทั้งสีนาวามียังร้อยวานางได้บูจาไฟพิษเถกเดินได้เก้าคำแรกเรียนไปร้อยวานางได้บูจาไฟเบาจบจิงได้ขอบขึ้นมา นางบูชาก่อนเขาร้อยว่ากาถอยเท่าจะไรสูตรจำไปกินก่อนเหตุนั้นจริงได้ผู้เท่าหมอนปาราป่องสาดาคาทีเป็นกานีจีพามชุมน่า ง, งามเบาเศร้าได้ผู้เท่ามาจำนีจา้า สามาเนพระมาเนนุนาเจ้าสมตอนสักสวดรอยว่ามึงฆ่ามาติเตินตอนสุเรนผาหมโดโบูราบาัสโสตามธรรอยกรรมมึงตามไตกรรมไรใส่สาพานตอนตร้องสินงามตามจบเรินรูขอบลายกูบาปจังจูสัมสู่มาได้พามเท่ากูเป็นผู สีได้ตัวนางยังนุ่มเน่ามาได้ผู้เท่าหากวิยนมึงแหลนาหน้าตู้ขังอาหินาตันชังงูเขียวควบปิ้นปวด ก, วดกว็เบาเต้าตุ้งอันโอดพามเตียงอันหนึ่งชาดไปแดงหันหมู ก, ก็เบาเต้าตุ้งอันพามเท้าจูบถือนอม เม่นบ่าหอกคมบางเตงแถวโวดก็เบาเต้าตุตงงานทำเท่ากอดตีเดียวตุ้งปันปิ้วแก่นมากพันผู้เท่าหากเขนใจเจนเละนาทีกิตานาทีระติดูรานางเมื่อพา ม, มาโนดแน่นโยอยอกยันหรือดีกับผู้ผีใจบาปแถวซ้ำสาบเหมือนกา ยามจิ้นจ้าโบาจางฟันเบ้าห่างใกล้กันย่อมจิ้วหันเหมือนวอกฟันสิ้นตอกมึงนางเมื่อมันวางจะาตอกทางตาหลอกล้ำลายใครหูไตค่ายาวค่ า, ย า, ายาเหมืนขี่เต่าเต็มรื่นตาบินบินบิวปากทาร้ายหาคุณจังแก่นเล ยาตาจาตาหารุตาหารามื่อได้ยิงสาวเล่ใจเบาวเยี่มตานเก่ากำรราหัสที่ได้สางัดนีลวบตานถอยต่บไปมากำมมายายอกเล่นยุบหนูดแน่นไปมือสองอือออผภาพพอยตี่ตอยแล่นผ้าใสตุ้มในใจผ้าเผาหันหน้าเบาก็หาคาภายไปเลยนา ตาหาดตังรูปภาพทีดูรานางตังอันว่ามุงนางยังหนุ่ม น, น้อยน่าชืจนใจชมงามใจรามหุม่นแผงใยนางนั่นใจสามารถเลนากะชายาติกุลีอาชานางจุงนี้เมืออยู่ในเฮือนปู่ลุงเอายาติเจ้าจะเจอเมียองเนื้อนำตน นางจุงขวัญคู่กว่าวันนี้อย่าเศรียงมึงอย่าเปลี่ยนใจอยู่ฟ้อมเป็นคู่ผู้มึงด่าหรือมึงยังอยู่กับโดยาพามเท่าคู่ตีอมสามความบ่ไกายาพามเท่าไปป้ามือนั่นจา หุยนอตุ้งขังนอดูรานางอามินตาตานุ่มน้อยตุ้งจำก้อยในใจดูผู้ไพรก็เบาเหมือนสักหยาดผู้นั่งหากทางรุยเต่าคุยไข่อยู่บ้านทมขี่ข้านกอดกุมจำดูเบาส้ำซักสิ่งทางรายหิงเหลือควนเลนาง ส่วนว่าเมตามเขาฟุ้งลนุ่มมารารุ่มลุงไหลเต็มด้วนตายแลตาน้ำเอินดาส้ำไหลดีกำบาดีสักหยาดเขาไรขนาดเขนใจก็มีวันนั่นเลย สาตาสังสันติกาปาริภาสังราภิตราสุวนวานางอานินสาตาปิตายินคำดาปุนไอหาสาบายเบาใดตุ้งจ้าใจเผื่อมีพรม ฟองตางามอาบนามือกุมก้าเอาให้จ่าฟองใสตานำํำเขาดาซ้ายินซานสู่นางคานเบยู่ร้องให้สู่เรือนมันทันเลเมื่อนั้นจู่จ่ากาพามฟั ง, งยินหลากสิ่งให้หากเหมือนนี้เท่าตาที่รารีมันก้มตีฟาลู ว่าอุยอุยวันนี้กูหันหลาบเป็นตุ้งมากังวันมาถึงตอนเจ้าหลาไผมาที้ก้วกำผาเมกูนี่จาา้าพามกูท่าเย้าเกตทำดูเหตุไลหัหนซึ่งเมตตอนจ้าใจว่าเจ้าให้เหตุสันได้นางใสใจเฮยน้องหลาเป็นกำผ้าสมดี นางไปหน้าทีแต่เจ้าต้องใจเจ้าฉันได้ขอบอกใครฟันตีหือรู้ตีนางผ่านรู้ว่านางจริงคานฝุงอื่นมาเรนรุ่นผิดกันตีกันนั้นย่าเหยกดเป็นเลือดซ้ำตังตูแลหรือ รู้ว่านางจิยวไปปั่นจวงเส้นซอฟฟองรู้เล่าที่หุงเก้าจังกว่าเงือกน้ำผ่าคอบนางจะหรือรู้ว่าพ่อขิวซ้อนดอกไม้ไปสาใส่ตำโตติ น, นางพอแจกมั่งอยู่ขาดบางหากไปจะหรือ รู้ว่าเจ้าจอมไทยรังจีเดียวไพยตีตังลุงไปเจ้าคุงไม่หนอดงูงอดตอดคมือนางจะหรือรู้ว่าเจ้าคู้วังหาบนำตาสอดซําแหล่งดูไปเจ้ารู้ไม่ดูแมีงปูสูคขมือนางจะหรือ รู้ว่านางคือเอายุบบอกคำต่อกเลนปั่นปุนปงไปเจ้ากุ้งไม่รีแตนเด่เด่ขมือจ่าหรือโวยนอตุองขังนอเจ้าปีต้องที่แต่ยินพานสงใจขันยันบาปกันขนาบจำนางจ่าหรือ ดูรานาังจุงไข่มายามเจ้ากูจังใ ต, ต่เตาฟันสีหันเป็นนีหนุ่มน้อยกูตำก้อยรุยร่ยแรงกูจังแปลงใจใกว่าหือคุณบาพิจารณาคำจาเล ตาซารู้จิติเมื่อนั้นนางอามินตาตาจังบอกเก่เท่าหงอกปาลามันก็อาทาวาเนเก่าไขเก่าฮือพามฟังว่าอําโคพามอโนดูราพามมึงจงมาหนังนีจังบอกที่ปั่นมึงกูไปถึงตาหนำย่อให้ความจากเอา เม่าพามเขารุมด่าในตาน้ำสาวสาวปุ้งเป็นสาวเล่เม่ร่างตุ้งขอขางตั้งลุงเขาปั้นกุ้งรุมด่ากำได้ว่าหรือใจเล่หน้าว่าอันก็เล่าเป็นกาทาว่า นาติพระมณอาคันชามีนาติงอุตากาฮริยาติอุมังปาริพาสันติตายาจินเนนาพระม น, นาดังนี้ดูราพามึงจุงฟังกูว่าแม่นน้ำในตาเป็นคำกูก็จังเบาจำน้ำไปหากกูยินลาปันตาย ยิ่งตั้งไลายเต็มตาร้องเองินดาสาวสาวก็ว่ากูยังเป็นสาวงามนุ่มน้อยมึงกอดอ้อยคุมจำดูเบาซ้ำซักสิ่งเขานั้นจริงจริงจ้าแล่เดเมื่อนั้นจูจากาพามได้ยินมีก่าวร้อนผ้าเผาในใสจริงจ้าไข่กำบวกเก่าถอยออกว่าจ้า ว่าดูรานางสายใจเฮยเจ้าปีต้องดูที่เป็นไทยุงยิ่งใดมาด่ากำไร่บ่ามึงนางรู้ไ้คำบางหน้าขิวตามันหลิวลับมึนมันขึนอื่นจะโสกมาตานอยู่ก้าวตีรู้าอดำปีนาสันมันจังกันผุ้ใจ ดูเบาอ้ายสังหน่อยคนใบถอยปุ่นหมังรู้ไว้จังขังหน้าดูบมันเป็นลูกสุราธรรมชุบเบางามสักหยาดให้เบาอาดเอาจำสองน้ำยานสูบดึงกันเก๋กขึงไวก็เบาปุ่นดูแล่นา รู้ไวพี่รู้ควันบากใจกาอยากทุ่ใจป่าทองไลเอ่วบานผู้มันกั้นหนีไปอยู่จำใจเอี่วเลนตาสอดแม่นหาใจรู้ไวน่าลายตาบอดมีาพามหยอดสุราพีผู้มันตีเบายังยันดังอันจังพอดี รู้ไว้ตั้งแดงนาควางเป็นเมรางในเสตีใจเบาดีสักอยากใจกาฟาดคำในเป็นนีไาติ่งรู้มั่งแลนจู้อยู่ลึงลึงรู้ไว้ถึงถึ ง, ถงนาใหญ่ต้องมันไก่มันรุงเป็นลูกลุงเก่บานผููมันกั้นต่ไปมันจะไรย่นบาปเบาสู้ผาดคนยิงแมนา รู้ไว้นั่นสิ่งรุนกรรมัมเบามวลมันหูรู้ไว้บุญจูเม้ามากแอบปากสิ่งแอบเผาเผ า, ารู้ไว้สาวเบาเมฆาป้าเน่าถูกแกี้วเน่าวนวนซ่งมันจางของไปกาดกา้าเบาคาสตี ของเบาดีในโลกคุขโศกโคกนั่งน้ารู้วัยกินจ้าปากอยู่ยมันจางเร้ยวใจใจยันจิ้วไก่สาลาดยามเขากาดคุณจังรู้วัยเสือแดงตังดอกตอมันจางต้อกำขึ้นตาลับมึนรับเหลาไปแหว่าวกั้นผู้ขุนปู่คุนชู้ดาว่าเ้าเบาดีดูแลนาะ รู้ไว้จ้าลาพามากรรมแ่นควัมดําในโลกมีภาพผูกไว้สังเบาต้องหลังพ่อนานาั่งเสียงคาด่าฟังถ้าคุณเรายังมีหรือเหล่ภาพดาวเจนานาคุณปันนาเร่ปั่นหนวกกูจังบอกหือพิจาราณากรรมเขาเบายัำกูเท่าสักสิ่งมัดสิ่งไว้จังปัจูแรนา เมื่อนั่นนางอามินตาตาขึ้นจอบทานถ้อยจอบกรรมคม <c oughs> ว่าอีที่อยู่ยิ่งตั้งไหลเป็นหมู่ร่างไม่กูมีเขาคุ้งเยื่อเราสาวแถวมาแอวหันลุงไหลเต็มด้อนใยตาน้ํากูเบาจื่อซ้ำชู้ฟันๆ เสาวจังดอนไข่บอกจุ่มสอบ ก, กอดคู่หันเขาจนกันลองตาร้องตอนดาสาวสาวคือบายีสูงเขาหน้ากว้างมันมาอยู่ฝปางข้างคำตีผู้หนึ่งจีดำมีหน้าสันจุ่มอยู่หันบ่ามาสังมาสังผู้หนึ่งจีเสื้อดำตังจ่าลาภามาจีนาวา่วบายีอายดีอาย ผู้หนึ่งชื่อนาลายฮักหมู่มาอยู่ข้างใต้ดาตันใจถึงอีตาใสและอีโนโราดมาจังพาขาดขืนคิงจังติ้งนี้ก็เบาได้เขาแววไใบลุงไหลคุณดีอายเลิดล้ำรุมดาซำซ้นสันตายตันนี้ไปสู่กอมนาอยู่เป็นเถ่า ยื้่คุณเขามาด่ายืนต่างข้างกองติดนางควันแนางสลิเมื่อก่อนทู่เบาหอนติดกันวันนี้หันดูหลากเขาเบาปากสะกอนเต้าหันแต่ติป้ า, อานอนไปอาบสักจิวหากตังมีมันก็มาเย็นมาหนูมานีห้ามว่าสู้อย่าด่าที่กัน ป่อย่ามือหนึ่งพันก็ปอดมือหนึ่งสอดยุบน้ำแล้วมาต้มสองบาสีห้าบามือสีมือสีดังนี้เล่พ้ำเฮยเมือนั่นจูจ่ากาพเกล่าวว่าผู้ทีดูรานางหลันเฮยเจ้าอย่าเกียดอย่าสำเสสันใดกันในเรือนเล่ในบ้านเจ้าอย่าตานบาจากาักกะตํม ย่าจำนำตอเสียงนำกินแหงาสารปีจังไปนำมาเต็มหากเมตเาอยู่ท่าอาบในเรือนเจออยาเพื่อนใจหมอลุงหนึ่งเข้าต่อสุมไปการ น, นั้นใดน้อยมากกูปีจังอุปาทากาสนางจาเล เมื่อนั่นนางอามินตาตาเกวานาหังตัมฮิกุริจาตายังกังอุตาคามหารีวังธรรมนาจานตีนาทีวัชามหังคารีดังนี้ ดูราพังกูเท่าฟันบังเบ้าลังกูอันบาสามีกู้ถอยไรเม่นแส่งใจกาตั้กันเม่ทาลานป้่อยคืออยู่กู้เท่ากูหาบน้ำมากินกูยินกินเบาจบเบาผ้ากรอบด้วยกองดีค่ะคุณนี่มีเบาผ้าเสิดอย่างกูได้กิดแต่ดี กูจังนี้เบาอยู่ในเรื่นผู้พอสองพี่ว่ามึงเบาป้องหามาหือใดข้าจอยใจยิงใจกูยินไายเบาอยู่เป็นมิผู้ผีพายกูจังนี้จ้าได้เท่าเบาวันคูเจ้าก็วันฤาจเล มนันจุจากระพามกวานั่นที่มีสิปัจฉานังวาทานังทันยังจ้าพรัมานิกุตุหังตาสังตาสิงวะนาอินสาณิผู้ที่ย่างผู้สิงอุปาทิสังมาผู้ทีกุปิตาหุ ดูรานางใสใจเฮยน้องเก้ยวเราเหลือเลีเล้ยวสุภาพีนี่นาเกะเทาใหญ่นอกเก้าเทาหมูวายขาดเลี้ยงงายวิตขาดเขาน้ำกาดรามกินสาตราสินหาเา่อใดต้องย่าไรงอนคำจากกะตํามอันใดอือบังเกิดเข้ากองเหลือเลมา คือว่าโยนาแลเพียงไรจักไม่ไหวสันคุยกูปีก็เบาไดเรียนการจึ้งใจมุ่ง ม, มาดเรียนส ก, กาบาตอบมือกูปีก็เบาไดเรียนการรู้มันแรงจังปัมตอกต่างลำลายจาบับบัฟคำคำและถึงฟ้อนสังสุดยอนสินมือกูปีก็เบาไดเรียน รูมันแรงมาหมิ่งมันใบไม้สิ่งแ็นควันลุ่งตั้งตอนตยวเรียนกูปีแกนเบาได้เรียนจึงสีแหล่จึงภาบสีข้ายวันดาบหลือฟันกูปีก็เบาได้เรียน อันหนึ่งการน่าสาโตเต้ตาแบกเงาไหลฟันซึกกูปีก็เบาไดเรียนเขียนยหลึงใส่ถอยเตียงคำร้อยหือเป็นปั้นกูปีก็เบาไดเรียนการตำเป็นเต็มดอกสิวน้อยตอแเป็นตู้กูปีก็เบาไดเรียนการกูเรืนจังไม่กูหากไรเบาหมอสัง หนอตุ่มคังน่อสีน่อลาการเบกพาแลแปีงรื่นกูปีก็เบาในเรนกูปีเต่าเคยกาตั้มเป็นจาเดินแอวขอตานแล้วมากินกันเหนือดินขึ้นอยากต้องทางล้ำไปไกลจังหาไหนฮือใดคาวยใจมาปันอันจา ดูรานางเต่ามีควาุสงจางรู้เตียงสางสาป้ากันหูใจหันเกิดกาฝันซึ่งนาเบกกูได้ขอบกูหลายสิ่งจังมามิงวันตองกูเบาปองอาจได้จังจ่วยใจตอนนังมึงอยากค้างสักหน่อยกูเท่าก่อยคุยขายกาเล เมื่อนั้นนางธรรมอณีก่าวว่าอิติอาห์มังคิสังยาธามีวาจานังสู้ตังเอสเวสันตารูราจาวังคีว่าสาติปปัตติดูราพามึงจุงมานังนี้กูจะบอกขี้ืมมึงฟังคันคุ้งยังก่าวไว้กูหากได้ยินมา ยังมีพ้าราชาตนหนึ่งใจกวาออ่างควันอดอางสัมปานเต้าหือตาจ่างผึกเจ้าเมืงองเยอะคำนี้ไปเป็นจี้อยู่สร้างในปากว่างวงกอดมึงจุงออดไปสู่ตีเต้าอยู่เป็นจี้วบกองดีผ้าบาดขออาราตาทา เจ้าพยาแก่นไทยเจ้าติงให้เป็นต้านยิงใจคานใหญ่หน้อยจังได้มาเป็นข้าพอยส่งราชาเลจูจ่ากูปีส่วนว่าจูจากาพัมผู้เทายินสุขเสาาคานัดใจพาะว่ากูไปไกลผากหองจิ้นจากน้องสิหนิฮาก็จิงเก่าเป็นกาทาวา กินโนหามันสัมิงตุปาโลติโคจัตตาสุตุงกาโมมาภูติปารติติวิสิมาจักังวิมนาหูอหังโพติงอุปาทิสังมาภูติกุปตตาหุติ ดูรานางใสใจเฮยหนุ่มเนากูปีเท่านักนาคำจาราอิทหอดไปเบารอดถึงไหนหอนตัางไก่ดิ้วเดินเข้าในเถินวงกัดผอนตัางป้อนไกลยาวกูจังเก่าวฮือมึงฟังกูแ็บหลังแ็บหนองลองจังจองรูดขาร่องเวราคำเจ้าปีหักเท่าอิทหิว แขนจ้าคิวเล่แข่งดังเมื่อตั้งสองปากข้างจู้บันยามชุบหน้างงามดอกไม้นองอย่าให้ปียินพันผู้ที่ดูรานางหลานเฮยเจ้าอย่าเกียรตอย่ากสมศรีมองใจอย่ากกึ่งได้ต้องอยากกูปีตังอูปาชาคนนางจ้าเล เมื่อนั้นนางคำอานิพูนจาลัดมีรูปอาจสมยจังอุบายแต่งใจหื้อเท่าถอยไรไปตายจริงก้นไม้ติมเสียกบุญไรแฉกส้ำซ้ำวายธาอากันตวาสัง้ามังอายุนทว่าปราจีทูอิบอาเมว่าตุวังครหมมีอากันตวาว่าปราจิทู ดูราพามส่วนบายทธาไหลนักสวด น, นำใน ก, กุดก้นไหม้เขาตั้งไหลเขาสู่ตีรับหมูสองขามเบาตึงยามร่ำสาบสั้นออกดาบถอยนี้คือดังมึงพี่ปู่อ่างขออยู่สันดิวเบาสันติวออกบานก้อยเก่าตานบ่าเวยเวยกูอินเจ็บยินเหมยขาแน็ดเหนื่อยเจ็บไหน จังเทียวไปขึ้นอยากขังลำบากอิดไอ้มีฉันได้ว่าแล้วเหมือนเบาแก้วนี้ขึ้นมานั่นเลยตาจิมีตาสังตาสิงว่านานานสติพลัมานาดูราพ ร, รม พี่ว่ามึงเบาหามาฮื้อไดค่ะใจใจหญิงใจนั้มาถวายน้อมใบฮื้อเตียงใจตอนกูพามฟังดูจะกกล่าวฮื้อรู้ข่าวดีดีกูจังนี้สาเศร้าเบาคุงเจ้าก็วันหรือจ่าเล อามานาปังตีการินสามีกูจังกะจำหลาสัมอันบ่จำเรื่องใจทวามจังไรจักเกิดตั้งสมเสีเจ็บใจพอสงสัยแหวนป้าจังกมนาอยู่พอมพอมจ่าแล นั่งคาตีอุตูบุเปสุในเมื่อรดนูพีใหม่ทนนาไฟสังขารคุณจิงคานสังเกตเธอพาติดจึงใจควันตั้งไหลายเป็นหมู่ย่อเยาอยู่ตุกกองเบาวสาวปองว่าเวียนสันตาเล่นแลงดูยาม น, นั่นกูจักยองก้าจ้องตามัน หอมตะ ก, กันดอกไม้ปักปิ่นไว้นาคาแบดหนุ่มเสื้อแกดดาวหยาดซาใบปาดเรือไรหันใจได้ยังหนุ่มหันจ้อยจึนใสไว้กูจังไปสอดเสียวก็กอดเกี่ยวเปยน้ำปันใจจำจุกแกมฮือบเบาแอมมือซำ ยามนั่นมึงพามหันโบจอบจากต้องกอดฉันกูมึงแล้ยงดูหันที่จักบีให้สาวอดหลังพามกอดแล้ยวกอดซ้ำจากคอดเหล่าไร้กว่าเก่าอกูหูพามงอกแลี้วกอดซ้ำงอกเหล่าไร้กว่าเก่าซุนซุนเหมือนหนุ่มปุนกำถวกซ้ำจังหัวขาวป้อนกาเล่ ที่ยาสังวัต น, น, นาวิเศษจาหงเหตยังทำตุจอกบันเข้าก็อสารเจาบูรามน์กาละกุลเต่านี้ก่อนแล